บางคนก็มาหาหลวงพ่อต้องส่งกันบ้านทุกครั้งจําเป็นไม่จําเป็นไม่รู้ฉันจําเป็นไว้ก่อนแต่ว่าลบมากเปล่าว่าไม่เชิงคิดว่ามันมีโอกาสแล้วเนี่ยทําไมจะเสียโอกาสอีกพวกหนึ่งกลับข้างเลยควรจะส่งกันบ้านตั้งนานแล้วก็ไม่ส่งเกรงใจหลวงพ่อนะเกรงใจมาแล้วบางทีก็ตั้งใจจะนั่งหลบๆไม่ให้หลวงพ่อเห็น มีนะัดตั้งปณิธานมาอย่างนั้นก็มีนะอุตส่าห์ลุกขึ้นทํากับข้าวตั้งแต่เมื่อวานวันนี้แทนที่จะส่งกันบ้านก็ไปซ่อนมีหลายแบบบางคนก็ไม่รู้จักเกรงใจเลยจะใช้งานหลวงพ่อทั้งวันเลยนะหาเรื่องชิดโปรเจกต์มาใช้พวกนี้ก็ไม่เอาไหนเลยพวกหนึ่งก็เกรงใจมากเลยเกรงใจในเรื่องที่ไม่ควรเกรงใจมีนะักการเกรงใจในเรื่องที่ไม่ควรเกรงใจนะ พระพุทธเจ้าเนีว่าอนาถปินฑิกาว่าอนาถปินฑิกาเศรษฐีเนี่ยเกรงใจพระพุทธเจ้าในเรื่องที่ไม่ควรเกรงใจคืออนาถปินฑิกาเนี่ยเห็นว่าคนมาหาพระพุทธเจ้าเยอะตัวเองมาหาพระุทธเจ้ามาทุกวันอะ่ะไม่กล้าถามกรรมฐานไม่ถามอะไรหรอกเห็นพระพเจ้ามีคนเยอะเดินออกไปดูวัดตรงไหนไม่ดีตรงไหนจะซ่อมตรงไหนวุ่นวายอยู่กับเรื่องพวกนี้ทั้งวัน พุ้เจ้าก็กว่าค ว, ว่าท่านสะสมบารมีมาตั้งนานเนี่ยเพื่อจะมาสอนธรรมะคนที่ควรเรียนนะ่็หมดแต่เกรงใจไม่เรียนไปหลบหลบหลีกหลีนี่จุดไหนพอดีชี้เกรงใจมากก็ไม่พอดีไม่รู้จักเกรงใจก็ไม่พอดีนะถ้าเมื่อไรเราพอนาแล้วเรารู้สึกว่าเราคงที่ไม่เจริญขึ้ น, นหรือแย่ลงไปเรื่อยๆนะ อย่างนี้จำเป็นถ้าภาวนาแล้วเจริญมากมากเลยรู้สึกจเจริญมากนะแล้วก็จําเป็นอีกแล้ ว, ลวพวกจเจริญมากเนี่ยบางทีหลวงพ่อกลุ่มใจหนักเลยนะมาหาภาวนาผิดอย่างไร้ายแรงก็คิดว่าภาวนาถูกภาวนากันนะถ้าบ อ, อกตั้งใจอย่าให้เสียชาติเกิดอย่าให้เสียใจทีหลังว่ามีโอกาสภาวนาแล้วไม่ได้ภาวนา ไม่มีอะไรมีคุณค่ า, าเท่ากับการปฏิบัติธรรมหรอกอยู่ในโลกนะงานทางโลกมแค่เครื่องอาศัยอยู่กับโลกโชั่วครั้งชั่วคราวอย่างเราทามาหากินได้มาก็กินไปเรียร้ยงครอบครัวไปก็จำเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสะสมไว้ในโลกนี้เราก็ต้องคืนให้โลกไปหมดไปเด็อการภาวนาไนะม่จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติได้ ถ้าเราพานาไว้คำนี้ชำนาญอย่างเราแยกขันชํานาญหรือจิตเราเป็นผู้รู้ได้ชำนาญชาติต่อไปนะั้นเรากระทบอะไรนิดเดียวนะจิตมันดีดพางขึ้นมาเป็นผู้รู้เลยขันมันแยกเลยมันเป็นอัตโนมัติสะสมไปธรรมะจะอยู่กับเราตลอดชีวิตอยู่กับเราข้ามภพ้ามชาติของอื่นไม่อยู่กับเราตลอด ชื่อเสียงเจติยศตำแหน่งหน้าที่อะไรนะก็อยู่ชั่วคราวเงินทองก็อยู่ชั่วคราวเงินทองมกักจะมาช่ยากนะะไปเร็วอะไม่อยู่กับเรานานบางคนเงินเดือนออกก็ใช้หนี้หมดแล้วงินทุกอย่างในโลกนี้ชั่วคราวทั้งหมดเลยทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเจติยศกระทรั่งลูกเมียสามีหลวงพ่อเจอมาทั้งหลายรายแล้ว รักเมียมากเลยรักเธอคนเดียวชั่วฟ้าดินสลายพอเมียตายนะเผาศพเสร็จมันก็มีเมียใหม่ไปแล้วแต่นี่ยังมารยาทดีไม่มีตอนที่เมียยังอยู่เนี่ยความรักอะไรต่ออะไรนะเป็นเรื่องที่เชื่อถือไม่ได้จริงหรอกแปรปรวนตอลอดเวลาแต่ธรรมะไม่แปรปรวนหรอกเอามาสู่ใจเราให้ได้หัดเจริญสติเจริญปัญญาไปรักษาศีลไป อย่างเวลาเรารักษาศีลตั้งใจรักษาไปเดือนหนึ่งสองเดือนอาจจะไม่รู้สึกนะพอรักษาได้สักสามเดือนจะเริ่มรู้สึกนละใจเราจะเข้มแข็งขึ้นทุกคราวที่เราะระลึกได้ว่านี่เรารักษาศีลมานตั้งสเดือนนะใจมันจะอิ่มโมยิ่ ม, มใจสมาธิจะเกิดขึ้นอันตโนมัติเลยนึกถึงว่าเนี่ยได้ตั้งใจรักษาศีลมันดีไม่ดังพร้อยมันอิ่มใจพออิ่มใจขึ้นมาสมาธิเกิด จะค่อยๆดูไปฝึกไปหรือเราหัดแยกธาตุแยกขันวันนี้ยังไม่รู้ผลเราฝึกไปมากเข้ามากเข้านะเวลาที่ชีวิตมีปัญหาขึ้นมาไม่ต้องปัญหาอะไรมากออย่างเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่เราฝึกไว้ ม, มันช่วยตัวเราเองใจไม่ดีดผางออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเลยมันจะไม่ตกใจอย่างรถคว่าเงี้ยไม่กริดกราด ไม่มีคําว่ากริดการ์ดเกิดขึ้นเลยนะรถกําลังหมุนๆ น, นะใจมีเด่นดวงขึ้นมาเห็นร่างกายเคลื่อนไหวอยู่ทุกช็อตทุกช็อตทุกช็อตไปเลยนะนช่วยตัวเองผ่อนหนักเป็นเบาได้โยวเว้นกรรมมันตัดรอนจริงๆนะกรรมตัดรอนจริงๆใครก็ช่วยไม่ได้พระอรหัน์อย่างนี้กรรมไม่ได้เลยพระเจ้าเราแท้ๆนะยังต้องรับกรรมเป็นช่วงๆเลยบางช่วงกระหายน้ำํำอดน้นะํานี่ ทำไมต้องเจ็บป่วยต้องถ่ายเป็นเลือดอะไรนี่เป็นวิบากทั้งหมดเลยแต่ถ้ากรรมไม่ตัดรอนนะมันพอรักษาตัวเองได้ยิ่งฝึกใจก็ยิ่งห่างความทุกข์ออกไปเรื่อยๆเคยทุกข์มากก็ทุกข์น้อยลงนะ้อยลงนะเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นลงสั้นลงเคยหนักเจอเรื่องอะไรทีนก็หนักไปหมดเลยก็กลายเป็นเรื่องว่าธรรมดาธรรมดาความรู้สึกนึกชินเปลี่ยน วันๆนั้นเคยโมโหโทโสนะตอนนี้ก็ลดลงลดลงใจผ่องแผ้วเบิกบานยธรรมะเราฝึกมากเข้ามากเข้ามันดีขึ้นเรื่อยๆหลวงพ่อเห็นครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเป็นโยมนะออกไปกราบครูบาอาจารย์บางองค์อายุตั้งร้อยกว่าปีคารวะหายากหน่อยนะอายุร้อยกว่าปีท่านอายุตั้งร้อยกว่าปีบางองค์บางองค์เก้าสิบกว่าปีแปดสิบกว่าปี แต่ละวงค์ผ่องใสมาองอ์ไม่สบายนะนอนกระดิกตัวไม่ได้ไป็นอัมาพาตท่านก็ผ่องใสดูแล้วท่านมีความสูงมากกว่าเราเยอะเลยทั้งที่เราเดินได้ท่านเดินไม่ได้มีบางองค์ท่านก็แข็งแรงดีแล้วท่านเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำนี่พิ บ, บัติหลวงปู่สุวัตเนี่ยรถคว่าไปเป็นอัมาพาตเดินไม่ได้า น, นั่งอยู่บนรถเข็นเข้าไปกราบนะ ท่านก็ปรารบธรรมะสุขแท้นอสุขแท้นอเราก็มองท่านสุขแท้นอของท่านของท่านก็ทั่ง น, น้ําลายยังกลืนไม่ได้เลยนะต้องใช้ที่ดูดนะ่ะกลืนน้ำลายยังไม่ได้เลยแต่ท่านก็มีความสุขมา น, นึกดูนะโอ้ทำไมครูบาอาจารย์แต่ละองค์มีความสุขอย่างนั้นหลวงปู่คร่ําอยู่ระยองไม่ใช่สายวัดป่าแต่ท่านก็เก่งของท่านภาวนาดีจิตใจท่านนะร่มเย็น เรียกว่ามาตรฐานเลยนะท่านอายุร้อยกว่าปีนะดูผ่องใสมีความสุขยังเดินได้นะเดินได้แต่ตอนนี้ไม่เดินแล้วละ่ะท่านนอนอยู่ในโรงมานานแล้ว เ, เก็บศพไว้เฉยๆไม่ได้เผาเนี่ยแต่ละองค์แต่ละองค์งเห็นท่านนะไม่เหมือนขลาวาดนะขราวาดนะอายุเยอะขึ้นนะแค่กเกษียณอายุก็แย่แล้วละ่ะ เสียณอโยุใจก็เศร้าหมองนะเคยมีอานาจก็ไม่มีรายได้ก็ลดลงอะไรเงี้ยลาบากรุ่มใจรุ่มใจแล้วก็เลยคิดมากทําไมลูกไม่มาเยี่ยมหลานไม่มีเยี่ยมโกรธมันอีกนะพอมันมาก็ด่ามันมันก็ยิ่งกลัวหนักใหญ่มันไม่มาในะครั้นี้ไม่มาก็เที่ยวด่ามันรับหลังอีกใจเต็มไปด้วยโทสะนะไม่มีความสุขพวกเราเตรียมตัวไว้นะพวกเราวันข้างหน้า ตอนที่เราแกมันไม่มีแล้วระบบครอบครัวแบบโบราณมันอยู่ตัวคนเดียวแทบกังนั้นนะอยู่กันสองคนอยู่คนเดียววันข้างหน้าเราจะเหงาเราจะ ว, าว้าวถ้าเราพอนํามไม่เป็นเหมือนพวกฝรั่งแก่ๆนะถึงมีเงินนะก็เหงาคุยกับหมาคุยกับแมวไปวันๆคุยกับคนไม่ได้ไม่มีใครคุยด้วยฝรั่งมันต่างคนต่างอยู่ไม่เหมือนคนไทยนะ เผื่อแผ่เพื่อนบ้านใครก็ททำอะไรรู้หมดเลยคนะ <laughs> อยจ้องคอยดูนะโรคประสาทกินไปอีกแบบห น, นะ <laughs> นึ่งงั้นวันข้างหน้าพวกเราอาจจะเหงามากนะเราต้องอยู่คนเดียวให้ได้ต้องฝึกที่จริงเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราอยู่กับธรรมะได้หายใจออกรู้สึกตัวห้ใจเข้ารู้สึกตัวเราอยู่กับลมหายใจเราก็มีความสุขของเราแล้วละ่ะเจ็บเจ็บป่วยใจแก่ทุกพลภาพจะยากจน แล้วก็มีความสุขอยู่หายใจอยู่ก็มีความสุขอยู่แล้วลมหายใจนี่ไม่ได้ซื้อใครมาพยายามหายใจนะอย่าพยายามหยุดเร็วนะหายใจไปหายใจใมีความสุขไปเราก็อยู่ของเราได้บางคนหวังว่ามีลูกลูกจะเลี้ยงหลูพ่อสังเกตมาเยอะนะคนที่ต้องพึ่งคนอื่นจริงๆถ้าไม่ป่วยนะถ้าอยู่ไปตามธรรมชาตินี่อายุ90ปียังพอช่วยตัวเองได้เลย วันเวลาที่ต้องพึ่งคนอื่นจริงๆเนี่ยไม่มากนักหรอกบางคนเลี้ยงลูกไว้หวังไว้จะพึ่งนะลูกมใตาก่อนเอาหลานมาให้เราเลี้ยงต่ออย่างนี้ก็มีนะงั้นความคิดว่าจะไปพึ่งคนอื่นพึ่งสิ่งอื่นอะไรเนี่ยพึ่งยากเราพึ่งธรรมะของเราอย่างน้อยเราร่างกายเราลำบากเราอดอยากยากจนใจเราฝ่องใสใจเรามีความสุขเราอยู่ของเราได้ช่วยตัวเองได้ไม่น้อยเนื้อต่ําใจไม่เสียใจ ก็มีความสุขมันอี่มออิ่มใจว่าชีวิตนี้ไม่ได้ศูญเปล่าเตรียมไว้เลยนะเตรียมตัวไว้คนรุ่นเราได้เจอแน่ๆเลยการที่จะต้องอยู่แบบนั้นนะมีพวกหนึ่งก็มารวมกลุ่มคนแก่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเป็นชมรมคนแก่เดี๋ยวนี้เริ่มมีนะพวกเตรียมแก่แล้ามาสร้างบ้านไว้รอบๆเนี้ยจะได้มาอยู่ด้วยกันะต่างคนต่างไม่มีลูกมีหลานอะไรเงี้ก็ฉลาดดี ก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันสังคมเราไม่มีระบบสวัสดิการนะยุโรปเคยมีสวัสดิการพอเศรษฐกิจตกไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีทำไงนะ่ะตอนนี้ไม่มีอะไรเหลือเลยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะให้เหลือธรรมะให้ได้ห้ใจออกรู้สึกตัวห้ใจเข้ารู้สึกตัวเท่านี้ก็มีความสุขแล้วคนเราจะ อ, าอะไรนักหนามีกินไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็สบายแล้วต่อไปสมมติว่าเกิดอดอยากเกิดทุพพิภยัย ไม่มีจะกินกจริงๆอย่ากลัวนะเราจะหิวสี่วันเท่านั้นเองถัดจากนั้นร่างกายจะปรับตัวไม่หิวอีกต่อไปแล้วนะอยู่ได้ไปจนตายเลยไม่หิวหรอกไม่ทรมานเท่าไหร่หรอกงั้นะเราก็พาวนาพาวนาก็ตายยากหน่อยนะแต่มันจะหิวอยู่ประมาณสามสี่วันเท่านะแล้วร่างกายมันจะชินเพราะนั้นบางทีพระป่าเนะี่อดข้าวอดแล้วพลืน อดเราลืมกินนะไม่สนใจอยากกินครูบาอจารย์น้องสั่งให้ไปกินข้าวให้ไปฉันข้าวได้แล้วอะไรเงี้ยอดลัเพลินไปเรื่อยๆฝึกไว้นะค่อยๆฝึกสมาธิฝึกสติเอาไว้ให้ดีแยกธาตุแยกขันให้ชํานาญไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตที่มีความสุขอยู่ได้มีความสุขอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่คล่ําครวญถึงความสุขในอดีตไม่ได้เพ้อฝันถึงความสุขในอนาคต มีความสุขในขณะนี้แหละไม่ต้องรอว่าตายแล้วไปนิพพานแล้วมีความสุขะเนีย่ยฝึกไปนะค่อยฝึกเอาใครจะส่งกันบ้านเชิญให้พวกอยู่วัดก่อนรู้สึกว่าเหมือนมันไม่เข้าฐานทีเดียวว่าเจ้าข้าหลวงพ่อรู้ใช่ๆรู้รู้ว่าไม่เข้าฐานอยากเข้าฐานรู้ว่าอยากรู้อย่างที่เป็นเท่านั้นพอดีใจไม่เข้ารู้ว่าไม่เข้าไม่เสียแรงหรอก อุตสาห์อดทนนะลำบากผ่านความระยะลำบากมามากมายทางโลกทางอะไรอานาก็ลำบากเืแ่อบบคนเขาภาวนา ง, ง่ายพุ๊บพั๊บุ๊บพอเราอดทนมันผ่านมาถึงวันนี้ได้เนะี่ยมันมันงดงามนะสง่า ง, งามอยู่ในตัวเองมีโมหะเยอะค่ะเออมาเรียนหายแล้วคือก็ตอนนี้ก็เคลียร์ไปเยอะละค่ะ เหลือรอหเดือนแลก็สแกนดูทีว่ามันยังมีเหลือหรือเปล่าก็คือแลบไปเมื่อตอนเดือนพฤษภาแล้วมันรักษาไปมีโอกาสก็ยังรักษาได้ก็รักษาไปเวลาเราก็ได้ภาวนาบางคนก็หายนะอยู่นานๆอยู่จนหมอที่รักษาตายไปเลยก็มีนะภาวนาเป็นไงก็มันก็มาอยู่ไว้ก็มีแรงมากขึ้นคะ่ะ สึกว่ามันแทรกแซงน้อยลงค่ะแต่ว่ามันจะจิตมันจะไม่ค่อยเข้าฐานเหมือนกันค่ะอยู่ข้างนอกค่อนข้างเยอะให้รู้อย่างที่มันเป็นนะไม่ต้องแทรกแซงมนะันรู้ไปมันจะมีความกังวลเป็นโทสะพื้นฐานะหลวงพ่ อ, พอแล้วก็จะเหมือนชอบแข่งดีแข่งเด่นอยู่ตลอดเวลาเออให้รู้นะค่ะให้รู้เรารักษาสีนไม่ร่วงเกินคนอื่นในใจเนยะไม่บังคับให้รู้อย่างที่มันเป็น เขาก็จะฟุ้งซ่านมันจะล้นไปข้างหน้า<ห>อยู่ตลอด ร, รู้อย่างนั้นไม่ว่ามันนะรู้อย่างที่มันเป็ น, ส อ, ส, นสองสามคืนนี้รู้สึกกัางคืนมันฟุ้งเยอะค่ะตอนนอนอแต่บางช่วงที่รู้สึกว่ามันฟุ้งนะแต่มันก็ยังฟุง้งกลางคืนคะฟุ้งก็งกามาอยู่กับสมถะหายใจไปรู้สึกตัวไปนอนเห็นร่างกายหายใจไปเรื่อยๆไม่ปล่อยใจฟุ้งไปนะต้องทาสมถะบ้าง จะมาดูจิตดูจิตอย่างเดียวทิ้งสมถะไปเลยไม่ดีปกติกิเลสตัวไหนเกินบ่อยหลงไปคิดมากอ่ะหลงไปคิด่บริกรรมไว้ก็ได้แทนที่ให้มันคิดสเปสปะนะให้มันมาคิดพุทโธธรมโมสังโฆคิดบทแผ่เมตตาอะไรคิดแป๊บเดียวมันก็ลงอีกแล้วแล้วหลงก็กลับมาคิดใหม่ครับให้จิตมันวนเวียนบริกรรมไปเรื่อยๆแทนที่ให้คิดสเปสปะก็พามันบริกรรมไป พอนานๆเข้าใจมันจะเริ่มเชื่องเชื่องแล้วมันไม่ค่อยไปถ้าหลงเรื่องงานนะคะจะจมมากค่ะเพรเรื่องงานต้องชิดนะไม่อะค่ะก็คือมาอยู่วันนี้ค่ะยังคิดเรื่องงานอยู่เลยเออเดี๋ยงไม่ใช่เวลาไม่ใช่หน้าที่ครับก็เหลือนจะสงบลงได้บ้างแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยตั้งมันเท่าไหร่ยังเดินบรรยาไม่ค่อยได้ครับแต่ก็พอตั้งใจบางอย่างในจิตใจมันก็ดูสงบลงบ้าง คือเวลาเราตั้งใจจะทํำอะไรนะที่ถูกต้องดีงามแล้วทําไปด้วยมันจะได้พลังนะใจมันจะมีกําลังขึ้นมามนจะมีความเข้มแข็งของใจบารมีนะั้นจะสร้างขึ้นมาสร้างเราสร้างความดีไปด้วยเป็นบารมีมาให้พลังกับใจเข้มแข็งขึ้นมาใจเข้มแข็งห้าวหาญนียภาวนาสู้กิเลสไหมบางคนภาวนาถูกนะ จเจริญสติถูกเป๊ะเลยจเจริญปัญญาถูกเป๊ะเลยแต่ไม่ยอมตัดไม่ยอมได้โสดาเพราะว่าบารมีไม่พอจิตมันไม่มีพลังพอที่จะก้าวกระโดดเงั้นอย่างเราสร้างคุณงามความดีไปเรื่อยสะสมของเราไปเรื่อยความดีอะไรมีโอกาสทําก็ทำํำไม่มีโอกาสก็ไม่เป็นไรจเจริญสติจเจริญปัญญาเอาอย่างโกรธขึ้นมาก็รู้จักอภัยอะไรอย่างนี้นะก็เป็นทานอย่างหนึง่ง ไม่เสียเงินเสียทองเนี่ยทานให้ความรู้คนเขาไม่มีความรู้ให้ความรู้เขาอย่างเป็นหมอเนี่ยถ้ามีโอกาสคนป่วยาบางทีแค่แนะนำอะไรนิดหนึ่งเขาไม่ต้องกินยาแล้วก็ได้อย่างนี้ก็เป็นทานนะเนี่ยถ้าเรามีโอกาสทำความดีต่างๆแล้วสะสมไปจเจริญสติจเจริญปัญญาดีที่สุดมีศีลมีความเมตตา แล้วก็ไม่หลงโลกเรียกว่าเนคขมมะไม่เพลินอยู่โลกนี่คุณงามความดีทั้งหลายสะสมสะสมไปแจ่มจะมีพลังเป็นพลังมวลรวมนะเป็นพลังรวมของจิตแล้วพอเราจเจริญสติสมาธิปัญญามากพอแล้วบุญกุศลบา ร, รมีเราพอเนี่ยอริยมรรคมันจะเกิดไม่มีใครสั่งให้อริยมรรคเกิดได้อริยมรรคเกิดเองเมื่อเราได้สร้างคุณงามความดีพร้อมแนละ้ว ศีลศิขาจิตศิขาปัญญาศิขาเต็มที่แล้วนะมันเกิดเองนะบางคนนั้นภาวนาถูกเป๊ะๆเลยแต่ว่าไม่มีบารมีใจไม่มีกำลังมัสการหลวงพ่อครับก็ไม่ได้ส่งกลับบ้านมาสมเดือนระหว่างนี้ก็ภาวนาในชีวิตประจำวันนะครับคอยดูจิตใจตัวเองครับแล้วก็ถ้าวันไหนที่ตอนเย็นพอมีอเวลาว่างก็จะพยายามทาในรูปแบบ วันไหนที่งานยุ่งๆเนี่ยม า, มาทําในรูปแบบมันจะเห็นเลยว่ามันใจมันจะฟุ้งไปหมดบางทีก็ขี้เกียจทำก็นอนไปเลยก็หลังๆมาก็จะเห็นว่าบางทีมันเห็นว่าใจมันไปยึดอะไรบางอย่างอยู่แต่ ว, ว่ามันปล่อยไม่ได้เออไม่ได้นะครับสั่งมันไม่ได้เรียนรู้มันไปนะเรียนรู้อย่างที่มันเป็นนั่นแหละถูกแล้วล่ะแต่ถ้าจิตไม่เข้าบ้านจิตไม่เข้าฐานก็รู้ว่าไม่เข้าฐาน แต่ถ้ามันไม่เข้านานนะก็ช่วยมันนิดหนึ่งหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกไปเนี่ยเรารู้ลมหายใจอยู่นะแล้วจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตไหลไปอยู่ที่ลมรู้ว่าจิตไหลรู้ลมไปแล้วก็รู้ทันจิตไปเรื่อยๆนะก็ให้ทำอย่างนี้ต่อไปใช่ไหมครับรู้ลมแล้วรู้จิตนะไม่ใช่รู้ลมไม่ใช่รู้ลมเฉยๆรู้ลมแล้วจิตใจสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้ จิตไหลไปคิดก็รู้จิตเที่ยวไปหาว่าจะดูอะไรดีก็รู้จิตไปจับอะไรนิ่งๆอยู่ก็รูนะ้รู้ทันจิตไปขอบคุณครับอาบหลวงพ่อฮะตอนนี้จิตติดเพ่งมากฮะนั่งสมาธิไม่ได้เลยฮะแน่นให้ดูใจที่มีโทสะใจมันไม่ชอบมันหงุดหงิด ต, ตัวเองให้รู้ทันใจที่มีโทสะนั่งสมาธิไม่ได้ก็รู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเลย เดี๋ยวพอมันคลายออกเขาค่อยนั่งได้ทีหลังมีไหมโทสะมีเห็นความไม่พอใจเออนั่นแหละความวไม่ชอบก็ใจมันมีโทสะอยู่สมาธิมันจะไปเกิดได้ยังไงให้รู้ทันว่ามีโทสะนะครับโทสะดับใจสบายสมาธิก็เกิดเลยง่ายง่ายกลับขอบคุณหลวงพ่อครับกรับนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะคือว่า จิตเป็นแข็งมากเลยแล้วก็เวลานั่งสมาธิมันก็ทําไม่ได้เลยอะค่ะแล้วก็แต่ว่าถ้ารู้กายก็ยังพอจะรู้ได้นะคะรู้กายไปแต่ว่าใจมันชอบสั่นเวลาตลอดเวลาเลยอะสั่นยังไงมันใจมันสั่นเองอะค่ะเหมือนกับยืนอยู่มันก็สั่นของมันเองอย่างเงี้ยหัวใจหรือว่าจิตสั่นจิตมั้งคะหนูก็ไม่รู้เพราะว่าเหมือนเหมือนมันมีโทสะแต่ว่ามันมองไม่เห็นเออมันมีโทสะอยู่ แต่ว่ามันไม่เห็นนะคะเดี๋ยวนี้จเจริญเมตตาไ้ก่อนนะจเจริญเมตตาแล้วก็ทำสมธรรมอย่าไปคิดเรื่องสมธรรมนะคิดยังไงก็ไม่ลงหรอกตอนเนี้ยโทรศัพท์มันเข้างันบริกรรมไปนะเมตตาคุณนางนะระหังเมตตาเนะนี่ยบริกรรมหนูไม่ชอบบริกรรมเลยอะคะ่ะมันไม่ถนัดอะคะ่ะว่าเราหนูต้องทํา อ, อะไรได้ไเมตานะ <laughs> มันไม่ถนัดกับการบริกรรม <laughs> บริกรรมที่ร้นมันก็ไม่ไม่อยู่ไม่อยู่ บริกรรม bills, Marx, marche, insight, ouais. แล้วมันก็หนีหายหนีเนี่ยนีก็ไม่เป็นไรหนีแล้วก็บริกรรมอีกอ๋อให้บริกรรมไปเรื่อยๆนะบริกรรมไปเรื่อยๆทำทำบริกรรมอย่างเดียวเหรอคะเออไม่ต้องเอาอื่นๆแล้วค่ะกลับนมัสการค่ะกลับนมัสการหลวงพ่อครับอไม่ได้รับคำชี้แนะจากหลวงพ่อแล้วก็ไม่ได้มาวัดนานเป็นเวลาหกเจ็ดปี แล้วอนาคตก็คงไม่ค่อยจะได้มาไม่เป็นไ ร, รวัดนะหรือไงวันนึงก็ต้องไปไม่เป็นไรหรอกอยู่ที่ว่าพาวนาไหมสังเกตไหมว่าขันเราแยกได้ดวออกไหมดูครับเอานะเมื่อขันมันแยกแล้วก็เห็นว่าขันแต่ละขันนะเขาทํางานเขาไม่ใช่ตัวเราดูอย่างนั้นเรื่อยๆครับเแต่ว่าใจบางทีมันก็ฟุ้งไปกระจายมากไป ช่วันี้ฟุ้งหนักถ้ามันฟุ้งมากนะก็มาเห็นร่างกายหายใจนะหายใจเห็นร่างกายหายใจใจเพืินดูไม่ได้ดูลมหายใจนะ <c oughs> แค่รู้สึกร่างกายมันหายใจอยู่รู้สึกว่าร่างกายหายใจออกรู้สึกว่าร่างกายหายใจเข้า <c oughs> นะให้ใจมันมีสมาธิขึ้นมาครับง <c oughs> นะั้นใจมันฟุง้งมันกระจายออกข้างนอกครับ <c oughs> ขอบพระคุณครับมาวัดไม่มาวัดไม่สำคัญหรอกนะาภาวนาได้ก็ใช้ได้นะ หนูสงสัยว่ามันสามารถมีอาการเหมือนเป็นก้อนหนักๆอยู่กลางใจแล้วก็พร้อมกับมีความสุขได้พร้อมกันได้ไหมคะหลวงพ่อได้ใจมันมีสมาพี่แล้วมันก็มีความสุขอยู่ขันมันก็ทำงานของมันไปแล้วไงล่ะอืมเราไอ้ก้อนหนักๆมันคืออะไรคะมันเป็นความปรุงของจิตนะเป็นสังขารจิตมันปรุงขึ้นมาคือจิตสังขาร บางทีก็ ป, ปรุงดีขึ้นมาก็หลุดออกมาจากตรงนี้ปรุงชั่วก็หลุดออกมาจากตรงเนี้ยนะบางทีเวลาที่อริยมรรคเกิดก็แหวกออกจากตรงนี้แหละอยู่ที่กลางหน้า อ, อกนี่แหละไอ้ก้อนเนี้ยบางทีก็ขยับได้บางทีก็หมุนหมุนรอบตัวเองได้หมุนหมุนหมุนหมุนก็เบี่ยงความสุขออกมาก็ได้เบี่ยงความทุกข์ออกมาก็ได้เวี่ยงรอบกรดร้อมาก็ได้แล้วถ้ากิเลสหนาให้ก้อนนี้ก็ใหญ่ถ้ากิเลสเบาบางก้อนนี้ก็บางลงไปบางลงไปนะ ไม่ต้องกลัวหรอกยังไงไม่หายง่ายหรอกคือแต่ถ้าเห็นแล้วมันจะทุกข์นะเห็นแล้วมันจะทุกข์คือหนูช่วงนี้มันมันเหมือนกับมีอาการแบบเหมือนอยู่ๆก็บีบขึ้นมาอยู่กลางใจแล้วก็บางทีมันก็ไม่หายหนูก็ดูดูเสร็จลก็นึกถึงคําพูดหลวงพ่อว่าให้ดูอย่างที่มันเป็นมันก็มีความสุขขึ้นมาแล้วมันก็หลงไปดูใหม่ก็อยู่อย่างนี้ค่ะหลวงพ่ออย่างนั้นแหละเราเดินปัญญาอยู่เห็นไหมจิตมันหลงได้เอง เห็นไหมมันรู้สึกได้เองเห็นไหมมันสุกได้เองไปฝึกอีกอย่านั่นแหละค่ะเราหนูมีมีคือหนูไปฝึกคือว่าให้ใช้การการหายใจอะคะ่ะดูการหายใจแล้วก็ดูการเคลื่อนไหวอะคะ่ะหลวงพ่อแต่ ว, ว่ามันเกิดกิเลสขึ้นเยอะมากะคะ่ะฟงุฟงฟุงซ่านแล้วก็มีโทสะบ่อยมากๆะคะ่ะไม่ถูกจิิตบางทีก็โทสะขึ้นน ะ, ะเราเป็นพวกโทสะจริต กรรมฐานอะไรที่เบาๆที่สบายที่นุ่มนวลน่อนอะก็จะสบายกว่างั้นถ้าบังคับตัวเองมากก็หมุนหินใจไม่สงบง่ายๆหากรรมฐานที่สบายๆทําไปอืหนูก็ลองมาหลายอย่างแต่ว่ารู้สึกว่าหายใจแล้วมันมีความสุขที่สุดอะคะอ่ะหลอแล้วแต่ก็หายใจไป <c oughs> แต่ว่าการหายใจนะไม่ใช่ไปดูลมหายใจนะ <c oughs> ให้แค่รู้สึกว่าร่างกายหายใจ หายใจแล้วใจฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านไม่ว่ามันนะแล้วก็หายใจอีก ห, หายใจแล้วสงบ ก, ก็ค่อยรู้ว่าสงบหายใจแล้วฟุ้งก็รู้ว่าฟุง้งค่ะหนูทำสมาธไม่ได้ค่ะแต่ว่าคือจะพยายามทาก่อนนอนทุกคืนนะคะก็จะพยายามสดมอนแล้วก็ พยายามนั่งสมาธิหรือดูลมหายใจอะค่ะแต่ว่ามันไม่มีสักวันที่มันจะสงบค่ะหลวงพ่อก็หายใจไป ก, มมก็มีความสุขสลับกับฟุ้งซ่านสลับมีความสุขสลับกับฟุ้งซ่านอยู่อย่างเนี้ยค่ะมันทําได้แค่นี้ค่ะหลวงพ่อได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้ถ้าไปหายใจแล้วหวังว่าจะสุขหวังจะสงบนะมันยิ่งฟุ้งหนักกว่าเก่าหายใจแล้วรู้อย่างที่มันเป็นอนะไม่นานมันก็สงบของมันเองหนูควรต้องปฏิบัติยังไงต่อ บ, บ้างคะอย่าใจร้อนนะ ภาวนาสบายๆแผ่เมตตาให้ร่างกายนี้บ้างแผ่ไปสัตว์ตัวนี้จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่างเงี้ยแผ่ไปบ้างใจเราจะได้ร่มเย็นขึ้นพอใจเราร่มเย็นใจสมาธิมันจะเกิดคอยแผ่เมตตาให้ร่างกายตัวเองบ่อยๆนะเดี๋ยวสมาธิมันจะได้เกิดขึ้นกราบและมัสการหลวงพ่อครับ ผมไม่ได้บทเรียนมาก่อนเลยครับมไม่เป็นไรหรอกไม่เคยปฏิบัติทมที่ไหนมาเลยครับเกตีแต่เมื่อสี่ปีที่แล้วเนี่ยบุญเพิ่งมาถึงครับหลวงพ่ อ, อตัวยังดีที่เจอนะลูกชายนะคนเล็กก็ <c oughs> ได้นำซีดีที่หลวงพ่ อ, อเทศสอนเนี่ย ม, มาให้สองแผ่นครับพ อ, อเปิดฟังดูผมจึงรู้ว่าโอ้โหหลวงพ่อไอ้ธรรมะที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เองก็เลย ตั้งใจฟังเออเปิดฟังมาตลอดครับแล้วก็พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติสังเกตไหมว่ากายกับใจเป็นคนละอันกันครับครับนะดูออกแล้วนาะครับครับเห็นไหมว่าความรู้สึกทั้งหลายมันไม่ใช่ใจเราหรอกมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปครับนะถ้าขันมันแยกได้แล้วก็ดูขันมันทํางานไปเหมือนเห็นคนอื่นทํางานต่อไปพอมันแก่แล้วขันมันแก่นะมันเจ็บขันมันเจ็บมันตายครับขันมันตายครับ ใจเราไม่เกี่ยวข้องใจเราอยู่ต่างหากเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะสุขจะทุกข์จะดีจะชัว่วมันก็เป็นแค่สิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดเลยครับตัวจิตเองก็เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ฟุนะ้งซ่านเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดก็มีแต่ความเปลี่ยนแปลงตัวจิตเองก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเฟ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้แหละทําไปสบายสบายหลวงพ่อเดี๋ยวเนี้มัน ไอสติตัวรู้ของผมเนี่ยมันตามรู้ตามดูไปถึงในฝันเลยครับหลวงพ่อได้ทําได้พอพอฝันได้ประเดี๋ยวเดียวเนี่ยมันจะร้องบอกในฝันเสียงดังเลยครับหลงไปคิดแล้วเออดีแล้วเราก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นครับความฝันมันหยุดลงทันทีเลยครับอย่างเนี้ยไม่ตกนรกละฮะแต่เดี๋ยวเนี่ยมันก็แค่เตือนให้รู้ในฝันเท่านั้นเองครับข้างนอกก็ไม่เตือนเลยเหรอครับ ครับหลวงพ่ อ, อ, อ, อไปแล้วหลวงพ่ออยู่วัดเนี่ยหลวงพ่อได้ยินผมอธิษฐานขอหลวงพ่อทุกคืน ท, ทุกเย็นหรือเปล่าครับไม่ได้ยินหร อ, อ, อผมขอว่าธรรมะใดที่หลวงพ่อรู้แจ้งแล้วเนี่ยกรุณาโปรดเมตตาให้ผมรู้แจ้งตามด้วยเถอดสาธุ ผมขออย่างนี้ทุกเย็นเลยครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อเมตตาให้ผมได้สมใจด้วยครับเดี๋ยวหลวงพ่อถามบ้างพ่ออธิฐานเสร็จแล้วได้ยินหลวงพ่ออธิฐานตอบไหมครับผมหลวงพ่ออธิฐานตอบบอกว่าการปฏิบัติใดที่หลวงพ่อทําแล้วนะเราก็ทํำข้อสิี่นะครับผมเราจะได้รู้ที่หลวงพ่อรู้อมละไปฏิบัติโดยเข้งคัดครับแล้วผมตั้งใจว่าจะ ปฏิบัติทำรรให้เป็นพุทธบูธชา <Okay. S 1> ธรรมบูชาสังคบูชาตลอดไปตราบเท่าเข้าสู่นิพพานครับหลวงพ่อครับสาธุสาธุขอขอบคุณครับหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ได้เปนั่งฟังพวกเราอาธิฐานหรอกนะ <laughs> แต่ว่าเวลาที่หลวงพ่อแผ่เมตตาหรืออะไรเนี่ยปกติเนี่ยจิตมันจ ะ, จะเจริญ เมตตาจเจริญธรรมะอะไรของมันอยู่แล้วนะคนไหนจิตมีคุณภาพพอกนะ็จะสัมผัสนะจะรู้สึกแต่ว่าหลวงพ่อไม่ได้ไปรู้ด้วยมันเหมือนเครื่องส่งวิทยุเครื่องส่งวิทยุเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเครื่องรับมันอยู่ที่ไหนนะม่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าอย่างเราภาวนาบางคนภาวนาติดขัดนะเหมือนว่าหลวงพ่อไปสอนอะไรเงี้ยหลวงพ่อไม่ได้ส่งจิตไปสอนหรอกนะไม่เป็นอย่างนั้นจิตของเราอะ จิตเรามันมีคุณภาพนะมันจะสัมผัสสัมผัสกระแสของธรรมะได้เองไม่ใช่กระแสหลวงพ่อด้วยเป็นกระแสของธรรมะนะแต่ว่ามันถ่ายทอดอาศัยสมมุติว่าเป็นเสียงของหลวงพ่อบ้างเป็นหน้าตาหลวงพ่อโผล่มาบ้างอันนั้นจิตมันถ่ายทอดของตัวเองนะแต่จิตเรามีคุณภาพพอมันก็ถ่ายทอดออกมาไม่ใช่เรื่องปฏิหารหลวงพ่อไม่มีปฏิหารอะไรหรอกนะเดินยังเดินกระย่องกระแย่งอยู่เลยเดีย๋ยวเที่ยวเหาะไปสอนใครได้เนาะ อย่างโง่นะอย่าเชื่องมงายชาพุทธต้องไม่งมงายทุกอย่างมีเหตุมีผลทั้งสิ้นเลยแต่อย่างหลวงพ่อนะภาวนาเนี่ยสมัยโน้นเป็นครวญอยู่ไม่ได้ไปหาครูบาอาจารย์ตามใจชอบได้ตลอดครูบาอาจารย์อยู่ไกลแต่ก่อนอยู่ทางอีสานอยู่ทางเหนือ น, นานๆได้ไปจริงเวลาที่ภาวนาติดขัดเนี่ยก็เหมือนท่านสอนนะเหมือนท่านมาสอน เรื่อนี้เลยเคยคุยกับหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธ ท, ท่านก็อธิบายอย่างที่หลวงพ่อจามาเล่าให้ฟังนี้แหละเป็นแบบนี้เองคือใจเราคิดถึงครูบาอาจารย์ใจเราคิดถึงครูบาอาจารย์เนี่ยมันธรรมะมันถ่ายทอดมาที่ใจเราครูบาอาจารย์ไม่ได้มายุ่งอะไรกับเราหรอกเหมือนว่าบางทีพระพุทธเจ้าถ่ายทอดให้นึกถึงนะพุทธเจ้ามาเทศให้ฟังอะไรอย่างนี้เพะนั้นจิตมันปรุงขึ้นมาจิตมันถ่ายทอดธรรมะนะผ่านถ่ายทอดผ่านสมมุติ เป็นรูปพระพุทธเจ้าเป็นเสียงพระพุทธเจ้าขึ้นม า, างั้นเรื่องของจิตนะวิจิตพิสดานอย่าทําชั่วทําความดีฝึกจิตฝึกใจทุกวันให้องแพ่วๆจะได้สัมผัสแต่สิ่งดีๆความดีอยู่ข้างในของเราเองความดีไม่ได้มาจากข้างนอกหรอกเมื่อก่อนหลวงพ่อภาวนาเนะี่ยังไม่เจอหลวงปู่ดุลยอภาวนามาเรื่อยๆทาได้แต่สมถะรมานาปนสติสงบอย่างเดียว สงบแล้วใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้นะเดินปัญญาต่อไม่เป็นไม่รู้จะไปยังไงลองไปพี่หนาักกายได้ยินครับพูดเรื่องพี่หนักกายดูกายนั้นดูนาทีเดียวก็ระเบิดไปหมดเลยไม่มีให้ดูแล้วเดือดจิตอันเดียวยไม่รู้จะไปยังไงก็อธิษฐานแบบคุณเหมือนกันแหละอธิษฐานขอให้ได้ครูบาอาจารย์ที่สอนเราได้วันหนึ่งก็ทําสมาธิอยู่นั้นเห็นมีพระองคเล็กๆแก่ๆ องหนึ่งนั้นเดินตัวตรงๆเล้เอาผลไม้มาให้ลูกหนึ่งเสียดายไม่ได้กินนะน่าจะมีนิมิตกินด้วยนะ <c oughs> <c oughs> เห็นนิมิตนะผละไม้มาให้ลูกหนึ่งแล้วท่านบอกว่าผลไม้เนี่ยจะหวานหรือไม่นะหรืจะเปรี้ยวหรืออะไรนะ่มันเกิดจากภายในของมันทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นมาจากจิตตอนนี้เนี่ยเห็นท่านในนิมิตต่อมาครับ เจอหลวงปูด่ดูนะ้องนี้เองนี่เองทําไมใจมันเป็นอย่างนั้นเรื่องของจิตจิตมันเป็นธรรมชาติรู้ถ้ามันมีสมาธิบางทีมันก็รู้น้อนรู้นี่น เ, เหมือนกันไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ด้วยนะความรู้ความเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้าการรู้ความเห็นเห็นอดีตเห็นอ น, นาคตเห็นผีเห็นเทวดาอะไรเนะี่ยสู้เห็นกิเลสในปัจจุบันนี้ไม่ได้ ก็เราเห็นจิตเห็นใจของเราอยู่ในปัจจุบันนี้เราจะพ้นทุกข์สักวันหนึ่งถ้าเราเห็นของข้างนอกนเห็นกระทั่งนิมิตพระพุทธเจ้าเห็นครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ได้เป็นไปเพื่อความสงบระงับเลยเป็นไปเพื่อความมักใหญ่ไ่สูงเพื่อความอวดดีอวดเก่งซสด้วยซ้ําไปงั้นย้อนกลับมารู้เท่าทันจิตใจของตัวรู้เท่าทันกิเลสไปดีที่สุดเลยเราจะได้ของดีของวิเศษนะส่วนในเรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารนะไม่ใช่ของดีของวิเศษ บางคนเคยมีทิริษนะห่อเหินเดินอากาศได้ถึงคราวเสื่อมก็ห่อไม่ได้แล้วในตำรามีหลายคน็นเทวทัตก็ห่อได้สุดท้ายต้องให้คนหามมาเฝ้าพระเจ้าไม่เสื่อมอะ่ะมันเสื่อมฤษีบางคนห่อไฟนะผ่านเมืองไปผ่านเข้าไปในวงังไม่รู้จักหลีกเลี่ยงเห็นสาวๆในวังอาบน้ําอยู่เล่นน้ําในสะนะระฤษีตกลงมาซี่โครงหักเลยเนี่ยสมาธิแตกเลยบอกว่า จำมาสอนลูกศิษย์ให้ระวังสัตว์ที่มีเขาที่หน้าอกนะมันปิดตกจากอากาศเลยนะน่ากลัวเรื่องสมาธิเป็นเรื่องเสื่อมนะฉนั้นไม่รู้เห็นวิเศษวิโสอะไรก็เท่านั้นแหละรู้อะไรก็ไม่เท่ารู้รูปนามตามความเป็นจริงนะนามสการเจ้าคะ่ะไม่ได้ส่งกไปบ้านกับหลวงพ่อประมาณสองปีสังเกตผมรู้สึก กำลังจิตลดลงนะคะเลยทำโดยสมรรถะเพิ่ อ, อทำเพิ่มคือโดยพุตโทะคะ่ะแล้วก็อนาณาปณสติบ้างกับบางครั้งมีรู้สึกถูกผีกวลวนะคะ<อ>ผเีเขาเข้าใจว่าผีมันมาทำไมมาขอส่วนบุญหรือมาดึงแข้งดึงขารู้สึกกวนๆเวลาเวลาปฏิบัตินะคะเขาจะไม่มามากวนๆมันก็จะจะเจริญเมตตาไปนะ ผีที่มาหาเราเนี่ยต้องถือหลักไว้อย่างหนึ่งนะต้องเป็นญาติพี่น้องเราผีอื่นไม่มาเพราะมาเราก็ให้ส่วนบุญเขาไม่ได้คนที่มาขอส่วนบุญเรานี่ญาติญาติเราเขาตกระคำลาบากเขาเห็นเราภาวนามีบุญเขาก็มาหาแต่บางทีมันมีไม่ใช่ผีกวนก็มีนะมารมันแกล้งนะมารมันแกล้งมันเห็นเราภาวนาดีจิตใจดีมันก็แกล้ง ที่แกล้งนานาๆฉะนม้นแกล้งทุบหัวเอาก็มีนะแกล้งเอามีดเสียบเอาก็มีแล้วแต่จะรู้สึกแต่ว่ามันแกล้งได้ไม่เกินกรรมถ้าเราไม่มีกรรมก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเรามีกรรมเราก็จบตกใ จ, จเจริญเมตตาไปมารเนี่ยมันไม่ชอบความเมตตามันใจร้ายดัง้เราจเจริญเมตตาเรื่อยๆมันจะไม่ค่อยมายุ่งกับเร า, ราการมัสการค่ะโยมมีสองสมเรื่องนะคะ เรื่องแรกนี่โยมเห็นสภาวะตอนเช้าโยมเห็นเห็นตกใจแล้วก็เห็นจิตไหวๆสมทีพอตอนบ่ายโยมโกรธโยมก็เห็นเหมือนกับตอนเช้าเลยคือสภาวะไหวๆสมทีอันนี้โยมเห็นอะไรคะก็เห็นความปรุงแต่งของจิตนะไม่ใช่อริยมรกนะอไม่ใช่จิตเลยคะไม่ใช่จิตจิตเป็นคนไปเห็นเหมืันเข้าความไหวๆนั้นเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเหมือนเข้า เป็นสังขารค่ะขอบคุณค่ะแล้วแล้วเรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือโยมนั่งเรือไปจากท่าเสราดไปท่าสาธรเนี่ยบ่อยๆออืแล้วพอกลางเรือพัสดุ์พาเนี่ยโยมก็นั่งเรือไปเหมือนกันแต่ว่าพอพอตามองตามไม่ไม่มีสัญญาตามองไปเนี่ยสัญญาไม่แปลโยมก็เห็นความสุขขึ้นมาอแป๊บหนึ่งอะค่ะอโยมไม่เคยรู้สึกมีความสุขมาหลายปีแล้วออื เพราะมีแต่ความเฉยเฉยอันนี้ดีถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรก็ดีแล้วอันนี้โยมเห็นอะไรคะก็เราเห็นการทำงานของจิตไงตามองเห็นรูปในขณะที่ตามองเห็นรูปเนะี่ยไม่มีความหมายอะไรหรอกสัญญาไม่ได้ทำงานสัญญามาทำงานทีหลังนี่ตรงที่เราเห็นกระบวนการทำงานของมันขึ้นมาเนี่ยจิตมันล่าเริงในธรรมะขึ้นมามีปิติขึ้นมาค่ะแล้ีนะไม่มีปัญหา แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งคือโยมเนี่ยเวลายโยมทําบุญหรือว่าโยมเห็นคนอื่นทําบุญเนี่ยโยมใจโยมเฉยเฉยไม่ได้ยินดีหรือไม่ได้ปิติอะไรเล ย, ยพอพอจะสงงานบ้านท่านเมื่อครั้งก่อนนี้แล้วเพื่อนขะทักบอกว่าส่งท่านเดี๋ยวท่านบอกว่าจิตดอกนอกอันนี้โยมเลยปิ้งขึ้นมาว่าอ๋อที่ที่จิตใจโยมไม่ปิติในเรื่องการทําบุญเรื่องอะไรอย่างเนี้ย ก็เพราะว่าเห็นมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นหน้าที่ของชาวพุทธที่จะต้องทาําิตโยมนะก็เฉยเฉยเวลาทําบุญเราภาวนาแล้วเนี่ยแค่ทําทานแบบนั้นใจมันจืดเฉยเฉยนะหลวงพ่อตอนวป็โยมะแต่เดิมพ่อชอบใส่บาตรนี่พอภาวนามาเข้ามาคอยไปใส่แล้วจืดจืดตอนแต่อยู่วัดเนี่ยเอาเวลาไปภาวนาไม่ยอมไปใส่บาตรวันหนึ่งนะคนหนึ่งเขาก็ใส่ไปใส่บ้างดีกว่าวันหลวงพ่อคือนะ่ะ วัดที่สุรินไปใส่บาตแล้วพอหลวงพ่อท่านเห็นนะท่านหัวเราะโอ้ยประโมดมาใส่บาตกับเขาด้วยใจมันก็ตอบท่านไปนะแต่ปากมันดันไปพูดด้วยผมใส่เป็นกริยาไปอย่างนั้นเนองใจมันเฉยเฉยท่านบอกเออมันต้องอย่างนั้นสิใส่แล้วว่าแต่ปรับเพิ่มก็ไม่ได้เรื่องนะแต่มันมีสองจำพวกนะพวกที่เห็นก็หนึ่งทำดีแล้ ว, วเฉยเฉยนี่พวกที่ติดล็อกอยู่ข้างในนี่นก็เฉยเหมือนกันต้องระวังตัวนี้ด้วย ถ้าใจมันล็อกนิ่งๆ อ, อ, อยู่อย่างเงี้ยเห็นใครก็ททำอะไรก็เฉยหมดงั้นเวลาที่คนไหนติดสมาธริรักษาจิตนิ่งอยู่เนี่ยครูบาอาจารย์จะให้พี่าจรณากายพอจิตไปทำงานพี่หนักกายถ้าพักเดียวมันจะหลุดออกมาคนะ่ะพอสมควรนะกบขอบพระคุณค่ะ